ก็ขอากราบน้ำส ก, การพระคุณเจ้ากาญจมิตรทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะก็ก่อนอื่นนะก็โขนหมอนาสนาทุกกับคุณหมอบัญชาแดงเนียมนะก็ร่วมเจ็ดปีนะที่พ่อครูรู้จักคุณหมอบัญชาแล้วก็แปลกมากต้องใช้คำว่าแปลกที่สุดนะ พอครูไปอยู่อเมริกาช่วงบั้นปลายชีวิตพอมันอิ่มตัวก็กลับมาบ้านบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่กรุงเทพพับหนึ่งบอกว่าหนีเสือป่าจระเข้ก็มาอยู่ที่เชียงใหม่ที่หมู่บ้านลิมเบียงใกล้ๆสนามบินนั้นสักพักหนึ่งก็ตอนนั้นเชียงใหม่อากาศดีเมื่อ27ปีก่อนนะสุดท้ายก็ก็บอกยังไม่ใช่อีกมันเริ่มจเจริญแล้วก็เลยกลับไปอยู่บ้านเกิด แผ่นดินเกิดก็คือเมืองไทยแผ่นดินเกิดแต่จังหวัดที่เกิดคือจังหวัดอุบล น, นะก็ไปอยู่ในป่าตรงนั้นชายแดนลาวกับไทยนะยี่สปีไม่ไปไหนนะไม่มีไฟฟ้าอยู่11ปีจากเมืองที่สี่เวลา ย, ยัางอเมริกานะก็พอถึงเวลาแล้วจิตบอกว่าถึงเวลาออกมาข้างนอกแล้วนะเราก็นั่งเถียงกันออกไปทําไมนะเราบอกเองว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมช่วยไม่ได้เขาตอบว่าทำพ่อทำนะทำพ่อทำนัยยะก็คือธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการให้ทานเป็นหน้าที่เราโอเคออกมาก็ออกมาแลว้วก็ที่ว่าแปลกก็คือว่าครั้งแรกที่ออกจากป่านั่นก็คือมาเชียงใหม่นะรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่แม่ลิมหน่อยเชิญมาอบรม แล้วคนที่ไปรับที่สนามบินคนแรกก็คือคุณหมอบัญชาแดงเนี่ยนะเรารู้จักกันครั้งแรกนะก็คุณหมอก็พาไปทานข้าวก่อนก่อนที่จะไปแม่ริมคุณหมอก็บอกว่าแกเรียนมาทางโฮลิสติกนะรักษาแบบองรวมนะจริงๆแล้วก็เป็นนายแพทย์หมอปัจจุบันนั่นแหละแต่ทีนี้แกเห็นว่ามันมีข้อจํากัดแกก็เลยไปต่อเติมแบบไปไปเรียนเพิ่มเติมพเพราะครูก็ถามว่า แพทย์องรวมเนี่ยของคุณหมอมันหมายถึงอะไรคุณหมอบอกว่าเราดูแบบองรวมทั่วร่างกายอย่างวิชาการตอนนี้เนี่ยเอาตาอย่างเดียวเอาหูอย่างเดียวจมูกอย่างเดียวปากอย่างเดียวตับอย่างเดียวแยกแยกขระแงสมัยพ่อกูเด็กๆก็ยังทันว่าเขาตัดค อ, อเอาเอาตาหูคอจมูกเนีตอนนี้ไม่ได้ละต้องแยกรายละเอียด ตานี่ก็ต้องเก่งขวาอย่างเดียวเก่งซ้ายอย่างเดียวนี่คือวิชาการคุณหมอก็บอกว่าเรารักษาตรงนี้ก็กระทบตรงนั้นนะพราะคูบอกมีเหตุผลพรากคูเห็นด้วยแต่ยังไม่พอรักษาร่างกายโดยองค์รมอย่างเดียวไม่พอต้องเอาจิตวิญญาณเข้าไปด้วยทีนี้วิทยาศาสตร์ยุคนี้เนี่ยความคิดแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะผู้ทีเจ้าสอนยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์นะพระ อ, องค์บอกอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เรา อย่าเพิ่งเชื่อตำราอย่าเพิ่งเชื่อคำเล่าขานอย่าเพิ่งเชื่อที่ทำตามตา ม, ตามกันมาไม่มีใครกล้าพูดอย่างนั้นนะเป็นศาสนาเดียวในโลกที่พูดอย่างนั้นแต่วันนี้พ่อครูไม่ได้พูดเรื่องศาสนานะาพ่อครูเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวจะเรียงลาดับว่าที่มาที่ไปพระครูบัญชานี่คือใครนะก็เมื่อกี้พูดถึงหมอบัญชาก็พูดถึงเรื่องหมอบัญชาก่อนทีนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยต้องช่างตวงวัดได้ เอาลูปรธรรมอย่างเดียวเห็นไหมคนเราบางทีมีความรู้สึกโกรธโมโหที่หมอพันชาบอกมันสมมุตินั่นแหละแต่ว่าก็เป็นอารมณ์ถามว่าอารมณ์เหล่านี้เรียกว่ารูปรธรรมหรือนามธรรมเราเคยมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ใช่ไหมเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราใช่ไหมมันมีอยู่ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ปฏิเสธได้อย่างไรเราถึงแก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้เห็นไหมแก้ปัญหาแต่เรื่องกายภาพ แต่พระพุทธองค์เราสอนเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือรูปหรือไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้านิ้วแบ่งเป็นอย่างนี้แบ่งเป็นสามนิ่โป้งนี่ก็คือรูปพระธรรมก็คือกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะ ส่วนเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยสามอย่างนี้คืออารมณ์ถ้าในทางสายพุทธเรียกว่าเจตสิกไอตัวสุดท้ายตัววิญญาณนี่คือจิตความเป็นมนุษย์เราเนี่ยความมีชีวิตมันประกอบด้วยสามอย่างแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์เขาเอาอย่างเดียวถ้าช่วงตัดช่างตวงวัดไม่ได้ก็คือปฏิเสธปวดหัวปุ๊บก็กินยาพารา รางับประสาทมาให้รู้สึกปวดไม่ใช่มันไม่มันไม่ปวดมันปวดแต่เราไม่รู้สึกปวดแล้วกระลิดยามันหมดก็ปวดอีกนะพวกครูวันนั้นคุยกับคุณหมอบัญชาแค่ข้าวมือนั้นที่คุณหมอบัญชาเนี่ยเมตตาเลี้ยงพวกครูหมอบัญชาก็ภาวนาตัวปฏิบัติจริงๆแล้วหมอบัญชาเนี่ยฝึกจิตวิญ ญ, ญาณมามากมายเริ่มจากไทยเก๊กเรื่องอะไรมากมายท่านเป็นคนฝ่ายเรียนรู้ เมื่อเช้าก็บอกแก้วทิพซึ่งเป็นลูกบุญธรมรมกูถือว่าเป็นเลขาอยู่สนามบินว่าแก้วดูหมอบัญชาสิก็ เ, เหมือนหมอไหมคุณหมอบัญชาไม่เหมือนหมอนะแล้วท่านเป็นอะไรกุแก้วบอกไม่รู้ทั้งตัวนั้นมีหมดเลยเร็วมากมีไว้พิพิธภาณมีอะไรไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยทีนี้เราไปเรียนหมอทุกวันนี้คนเรียนหมอเนี่ยต้องเก่งต้องขยันกว่าคนอื่นถึงจะเรียนหมอได้ เห็นไหมทีนี้ถ้าคุณหมอไม่วางรูปแบบวางท่าทางให้มีความศรัทธาแล้วเนี่ยคนไข้เขาก็ไม่เชื่อแต่ไม่ใช่คนอย่างหมอบัญชาเนื่องจากหมอบัญชาฝึกจิตวิญญาณนะแล้วก็ลดละเลิกตัวตนแล้วก็เจดปีที่เรารู้จักกันเนี่ยไม่ค่อยมีแม้แต่หนึ่งครั้งที่จะปฏิเสธการทำความดีที่หมอบัญชามาวันนี้เนี่ย ไม่ใช่เอาเวลาว่างมาทำบุญนะครับหมอบัญชาเอาเวลาที่ไม่ว่างมาทำบุญอันนี้สำคัญกว่างานปกติยิ่งรู้ว่าพ่อครูจะไปที่ไหนแล้วเนี่ยนะขอให้บอกล่วงหน้าปุ๊บเนี่หมอบัญชาจะจัดแ่งเวลาประจำเอะงานประจำตัวเองออกไปที่อื่นนะก็อุตส่าห์มาให้ทามาทานอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุหมอบัญชาก็คนเราทำดีมันก็ดีนั่นแหละ เนะพราะกูก็ให้ข้อคิดตลอดเวลาทีนี้คำว่าองค์รวมเนี่ยไม่ใช่เอากายอย่างเดียวไม่ใช่เอาจิตอย่างเดียวตอนนี้เราแยกส่วนพอเป็นนักกีฬาต้องการเป็นเป็นแชมป์ออกกําลังกายขยนขันขันแข็งแต่บังเอิญพอแพ้มาบางทีฆ่าตัวตายก็มีร่างกายแข็งแรงแต่จิตอ่อนแอบางคนเอาจิตก็ไปนั่งฝึกจิตอย่างเดียวทรมานสังขาร นะอันนี้จิตนิยมเราชอบคิดแบบแยกส่วนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครศึกษาศาสนานะสมัยก่อนพ่อครูไม่รู้เรื่องหรอกพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยภาษาอังกฤษบอกเป็นเบบีคนที่รักเราที่สุดก็ตั้งชื่อให้เราเธอชื่อบัญชานะลูกบังเอิญบัญชากำลังสองมาเจอกันทั้งวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณแล้วก็แถมศาสนามาด้วยนะพ่อแม่ศรัทธามาก นับถือศาสนาพุทธลูกก็พุดกก็แล้วกันก็แถมมาอีกโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ท่านก็รักเรามากก็ส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตเราก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนเกิดมาทำไมไอความสุขจริงๆมันรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร เราไม่เคยรู้เลยเราเอาชีวิตรเราเนี่ยไปทุก์เพื่อสร้างอนาคตเลี้ยงเก่งๆนะลูกแล้วหาเงินเยอะๆแล้วก็รวยแล้วจะมีความสุขเพราะกูซื่อสัตย์มากกับคำนี้40ปีวิ่งไปตามโลกนะแล้วบ้านปลายชีวิตอยู่บนเนี่เคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นสมาชิกพาจงังหวัดเขตอําเภอเมืองนะ3ปีนะนะแล้วก็ตอนนั้น เพื่อนรุ่นพี่ด็อเตอร์ประสิทธิ์นรงเดชแล้วคุณสุรศักดิ์เตมบเสืสองคนเคยเป็นรัฐมนตรีล่ะอยู่ๆก็มาชวนพว่อครูเป็นเราสมัครผู้แทนเราไม่รู้หรอกการเมืองมันคืออะไรกันแน่รู้แต่ว่าเวลาเราอยู่กับชาวบ้านเราช่วยเหลือเขาเนี่ยเรามีความสุขสามปีเป็นสอจอนะนอนเกือบทุกตำบลนั่นแหละแต่ทุกหมู่บ้านป่ะไม่ครบแต่ว่าทุกหมู่บ้านเจอหน้าพ่อครูช่วยเขาหมดนะ ปกติสมาชิกจังหวัดเนี่ยหปีใช่ไหมพ่อกูสมปีลาออกก็ไปสมัครทีนี้สามคนเขาแบ่งว่าเออเธอคุมอาเภอนี่ยอำเภอนี่พ่อคูคุมอาเภอเมืองเนี่ยนะเราไม่ได้ใช้เงินเลยเราดึงทั้งสองคนนี้มาที่หนึ่งที่สองที่สามอย่างน้นอยๆพี่ พ, พ, พ่อคูพิสูจน์แล้วว่าที่เขาบอกว่าความดีสู้เงินไม่ได้เนี่ยไม่จริงคนที่พูดเนี่ยอาจจะไม่ชั่วแต่ยังไม่ดี ไม่ว่าคนยากคนจนเขาไม่มีสำนึกเนี่ยเขารู้สำคัญว่าคุณทำจริงไหมแต่โชคดีมากอีกสองอำเภอนั้นเขาไม่รู้จักพ่อครูนะแล้วก็สองคนนั้นเขาก็ไม่ให้พ่อครูเข้าไปหาเสียงคำว่าโชคดีมากก็คือเขาไม่เลือกพ่อครูอำเภอเมือ ง, งเรามาที่หนึ่งแล้วรวมสามอำเภอแล้วเนี่ย <ừ. S 1> เขาเอาสามคนเราตกมาที่สี่โชคดีมากที่ปีนั้นสอบตก ถ้าตอบได้ตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลายเป็นวุ่นหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เลยมีโอกาสไปเยี่ยมแม่กับน้องๆที่อเมริกาครอบครัวนี้เนี่ยแม่มีลูกห้าคนพ่อครูเป็นคนโตสี่คนเรียนเมืองนอกจบทั้งหมดและมีคนเดียวเนี่ยมาทำอะไรไม่รู้นะแม่ก็เป็นห่วงเขาจะฆ่าทิ้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคนอื่นเขาเป็นนักการเมืองเนี่ยรวยเอารวยเอาอันนี้ม่จะไปเอาเงินช่วยเหลือชาวบ้าน ท่านก็เคยขอร้องหลายครั้งเดี๋ยวเที่ยวนี้คิดว่าไปเยี่ยมสักหนึ่งเดือนเขาเรียกให้ไปเอาบัตรเขียวนะไม่ใช่เขาหลอกเราไปนะก็คือเขาดำเนินเรื่องให้เราไปเอาบัตรเขีย ว, วเ่าะครูไปหลายครั้งอเมริกาแต่ไม่เคยรู้สึกชอบเลยแต่ไม่รังเกียจแม่ทุกข์มากร้องไห้จนเป็นลมเพราะเขาก็รักลูกกลัวลูกอันตรายพราครูต้องทิ้งทุกอย่างทั้งความดีความชั่วที่เราสร้างมา นะสนองคุณแม่ทุกมากเป็นช่วงเจ็ดแปดปีที่ทุกมากเพราะว่าที่นี่เราเป็นผู้นําโดยเฉพาะคนไทยเราผู้ชายเนี่ยเป็นช้างเท้าหน้าไปที่นุ่นรุ่นน้องๆกับน้องๆเขาบอกว่าที่นี่เท่าเทียมกันเราไม่คุ้นเคยน้องๆเหล่านี้เนี่ยพวกครูเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อหายสาบสูญไปตั้งนานนะ เราช่วยเลี้ยงจนจบเหมืองนอกเขาบอกว่าเท่าเทียมกันไอความรู้สึกที่เรามีอัตราเนี่ยเรายอมรับไม่ได้แต่เพื่อแม่แล้วเนี่ยเราก็ต้องหวานอมขมกลืนโอเคก็ครอบครัวเราเริ่มจากเรามีร้านอาหารไทยแล้วบังเอิญหนังสือพิมพ์เขาให้สี่ดาวเปิดจีร้านเขาเต็มหมดที่นู่นเดินทำงานไม่ทันต้องวิ่งทำงานเด็กๆ คนไทยคนเกาหลีคนเวียดนามอะไรไปเรียนปนัญญาตีโทรที่นั่นก็ไปสมัครงานที่นู่นแล้วก็ดูแลหมดนะทุกคนต้องวิ่งทำงานนะมันไม่ทันคนมันเยอะมากนะทีนี้เงินเต็มบ้านกว่าจะกลับเพียงคืนตีหนึ่งเี้ยวถุงเงินกลับบ้านทุกวันไม่มีเวลาจัดแจงมาหรอกมันเหนื่อย อาบน้ำก็นอนตื่นเช้ามากไปอีกยังไม่พอเพื่อนก็มาชวนให้ทำธุรกิจคอมพิวเตอร์เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่ทำธุรกิจคอมพิวเตอร์ที่โ น, น้นนะก็ไปจับธุรกิจคอมพิวเตอร์ไม่กี่ปีนะขายไปทั่วโลกเพราะคูตั้งวงชัยคือแทงคอมพิวเตอร์แล้วก็ท w c บังเอิญว่าเมืองที่เราอยู่เนี่ยอยู่ในอยู่อยู่ในฟลอริดาเหมือนปักใต้บ้านเราข้างล่างนี่พวกทวีปอเมริกาใต้นั่นกำลังเป็นประเทศพัฒนา mm hmm. เขามากว้านซื้อคอมพิวเตอร์ในขายดีแบบเทน้ำเท่นา้า mm hmm. ก็เพิ่มเงินเต็มบ้านอีกเหมือนเก่า mm hmm. เห็นแต่เงินแล้วก็มีกำไรชีวิตมีของแถมมาด้วยนอกจากเงินแล้วเนี่ยเป็นไมเกรน ความเครียดลงกบเพราะต่างหากแบบรุนแรงเลยนะก็รักษาแบบระงับไม่ให้มันรู้สึกปวดแล้วก็คิดต่อเพราะเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่คิดทุกเรื่องที่มองเห็นคิดทุกเรื่องที่เราได้ยินเพราะเราเป็นนักคิดงานที่เราทำน่นมันไม่ได้ทาให้พวกกูทุกพวกกูสนุกเราเป็นนักแก้ปัญหาเราเป็นนักสู้แต่ที่มันทุกนั่นมันเกิดความเบื่อหน่าย ที่มันทุกข์มากๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันเบื่อเพราะอะไรถ้ารู้นี่แก้งมากง่ายมากเพราะเราเป็นนักแก้ปัญหาอยู่แล้วมันเบื่อโดยไม่รู้สาเหตุอยากรวยก็รวยแล้วเอาเงินซื้อทุกอย่างพวกกูเป็นคนชอบเล่นรถนะ่ะรถรุ่นใหม่มาในซื้อซื้อซือซอเล่นนะดีใจสองสามบันเดี๋ยวมันก็ออกรุ่นใหม่มานะคือคือเรา เ, อาเงินซื้อความสบาใจได้ความสะดวกสบาย แล้วเราไปหลงว่ามันคือความสุขเอาถ้ามันสุขแล้วมันเบื่อทำไมเบื่อมากๆตอนนั้นถ้าไม่มีสติหน่อยฆ่าตัวตายก็ได้เนื่องจากเราหลงตัวเองว่าเราเป็นคนเก่งทำอะไรสำเร็จหมดแล้วทำไมตัวเองมีปัญหามันเบื่อทำไมแก้ไม่ได้เรากลายเป็นคนไม่เก่งอีกต่อไปหมดอะไรตายอยาง พอคิดปุ๊บไอความรู้มาในรูปภาษามันบอกว่าไปเที่ยวสิโง่จังทุกทำไมยังไม่ไปก็รู้เลยว่าจะไปทำอะไรมันทำมาหมดแล้วตีกอลตกปลานะเต้นลําพ่อคูกินเหล้าทุกยี่ห้อพ่อครูถูกคนที่รักเราที่สุดน่ะ ให้สิ่งดีๆกับพ่อครูตอนนั้นพ่อครูไม่รู้คืออะไรให้พ่อครูนับถือศาสนาพุทธโดยที่พ่อครูไม่รู้ว่าคืออะไรศินห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทำหมดชีวิตพ่อครูทำมาหมดแล้วเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ทำยังไม่ฆ่าคนเท่านั้นเองนักเลงเรียกพี่เขาใจใหญ่มากขอมาให้เลยแม่กลัวมากว่ามีเท่าไหร่ก็หมดตัวมันเป็นนิสัยส่วนตัว ไอเรื่องขี้เหนียวเรื่องโลภมากไม่ค่อยมีหรอกนะขอมาให้เลยแล้วก็เที่ยวเตะตามภาษาคนหนุ่มตอนนี้เจอทางตันแล้วเราเจอปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เราแก้ความเบื่อเราไม่ได้นะหลายคนไม่เชื่อว่ะเบื่อแล้วก็นักหนาเอาเบื่อแล้วแก้ยังไงทุกคนเบื่อให้ไหม่ทำงานหนักว่าโอ้กำไรชีวิตเนี่ยนะเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องกำไรชีวิตคืออะไรไปท่องเที่ยวเห็นไหมเขาบอกว่ากำไรชีวิตอันนี้สมัยก่อนพรากโควิดยังก็ไปมาหมดแล้วไงแค่เปลี่ยนสถานที่ไปเหนื่อยเฉยเฉยแต่เราคิดว่ากำไรชีวิตกำไรกิเลส ต, ต่างหากนะกิเลสมันชอบเมื่อเราเหนื่อยแล้วทำไมไม่พักผ่อนเลยยังทำตัวเองเนี่ยไปถอสังขารไปเหนื่อยกว่าเก่าสมัยก่อนเราคิดไม่เป็น จันถึงสุขทำงานเหนื่อยแล้วเสาทิตยังไปเดินตากแดดนะเออเราไม่ต้องหิ้วถุงก๊อบมันมีคนหิ้วให้แล้วก็ไปยืนตีก๊อบพอตีไม่ถูกเนี่ยเพื่อนฝูงพวกกูคนหนึ่งไอ้ น, นี่เป็นลูกเศรษฐีนะนะไปอเมริกาไม่ค่อยตั้งใจเรียนเรียนอะไรก็ไม่จบนะหน้าที่เที่ยวเล่นเล่นเล่นเล่ น, ล น, ลนกีฬาอย่างเดียวพอตีผิดปุ๊บเนี่ยด่าพ่อแม่ตัวเอง ถ้าเวลาไหนเกิดต้นไม้อยู่ข้างๆเนี่ยไอ้ไม้ก๊อนี่งอเลยมันทสาสะใจตอนนั้นเราเป็นอย่างนั้นเราเข้าใจว่าเป็นการผ่อนคลายอารมณ์จริงๆแล้วมันเป็นการเพิ่มอารมณ์ใหม่เล่นนกกระจอกอย่างคนเล่นกระจอกเขาเร่งเรียกว่าไพ่นกกระจอกนะสี่คนอยู่ในห้องแอร์สามวันสางคืนไม่ต้องนอนกินก็อยู่ในนั้นเล่นอยู่ในนั้นไม่ได้สู่บุรีธีะมวลนะ สูบุหรีทีลสี่มวลคือคนละมวลเป่ากันไปเป่ากันมาปัจจุบันนี้สามคนนั้นเป็นมะเร็งตายหมดแล้วรอดมาอยู่คนเดียวตอบได้เลยว่าบุญมีจริงถ้าบุญเก่าไม่มีจริงคนอย่างคนที่ชื่อพ่อครูบัญชาเนี่ยไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่น่าจะตายไปนานแล้วคือใช้ชีวิตแบบโลดโผนสุลุ่ยสิร่ายเบืองมากๆแต่เราเก่ง เราคิดอะไรค้าขายเก่งแต่ว่าอันนั้นก็เก่งทำอย่างอื่นก็เก่งทำร้ายตัวเองก็เก่งตอนนั้นมันมันหาความสะใจพวกคูเราเล่าให้ฟังนะวันเป็นยังไงหลายคนไม่เชื่อว่าก็อยากมีเงินแล้วรวยแล้วก็สุขสิไปทุกมันอะไรกันนักหนาะมันทำให้พ่อ ก, กูรวยให้มันเข็ดๆ เ, เลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยทีนี้ย่อลงมา คืนที่มันเบื่อสุดๆระหว่างตายกับอยู่ห้าสบห้าสบกลางวันไปบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์กลางคืนไปดูแลร้านอาหารคนละร้านกว่าจะกลับเที่ยงคืนตีหนึ่งเป็นประจําทุกวันเบื่อปุก็ไปเที่ยวเตะแล้วก็กลับมาก็เหมือนเก่าคืนนั้นเด็กๆ เ, เขาเคลียร์บัญชีเสร็จเที่ยงคืนนะกลับหมดแล้วเนี่ยพ่อครูไม่กลับบ้าน ล็อกกุญแจร้านอาหารทำอะไรบ้าๆบอๆสักทีหนึ่งเกิดมาไม่เคยนั่งสมาธิแต่เคยไปถามพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะเดินทางจากเมืองไทยไปเนี่ยไปกลุ่มน้องชายเนี่ยเขาเขาไปปฏิบัติธรรมเพราะกูไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้ลูกน้องเคยปฏิบัติแนละ้วบอกว่ามาบอกให้ฟังว่าเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาป บ, บนคุณโทษกฎแห่งกรรมไล่หนีไปหลายคนออกไปไกลๆถ้าไม่อยากถูกเตะ เราไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เราต้องการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไอ้เรื่องที่สัมผัสไม่ได้ไปไกลๆแต่ลูกน้องเดือดร้อนช่วยเขาหมดก็หลังจากล็อกประตูแล้วเนี่ยร้านอาหารไทยเราเป็นแบบมีแบบเซกชช่นขันตกนั่งกับพื้นด้วยอะไรเนี่ยนะก็มีแท่นพระพุทธรูปพ่อ ก, กูก็ลงไปกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ถ้าเรื่องบุญเรื่องพ้นมีจริงเนี่ยพร้อมแล้วถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงเนี่ยถูกบังคับให้นับถือมาสี่สิบปีทำไมยังทุกข์ขนาดนี้นะต้องช่วยให้พ้นทุกข์ดื้อมากอายุ4ี่สิบกำลังห้าวยิ่งสำเร็จในทางโลกนะใครขวางไม่ได้แต่วันนั้นนะ่ะมันมันจนตอกจริงๆนะก็เคยถามพระพริสุกที่ท่านไปสอนนะท่านบอกว่า จิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมเราไม่รู้ด้วยจิตมันคืออะไรหลุดพ้นไปไหนก็ไม่รู้ดวงตาเห็นธรรมธรรมะมันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีกี่แขนกี่ขาก็ไม่รู้อีกก็ไปถามท่านสั้นๆว่าเราเป็นทุนนิยมทงทำแล้วต้องได้อะไรถามว่าทาแล้วมันได้อะไรท่านก็ตอบสั้นๆว่มามันพ้นทุกเราไม่รู้อะไรหรอกรู้แต่ชอบคําว่าพ้นทุกก็ไม่ยอมปฏิบัติกับเขา นั่นแหละผ่านไปนานๆก็จำคขาวอาพ้นทุกได้คือนะั้นมันทุกมากๆเลยไงก็เลยลองทำอะไรที่มันมันเหมือนคนจนต่อกันนะไม่มีทางไป น, ะนั่นแหละท้าทายผู้ที่เจ้าแล้วก็นั่งหลับตาบังเอิญในนิสัยเราไม่ดีเนี่ยที่เราคิดไม่เลิกมาแล้วเนี่ยมีประโยชน์แล้วได้ยินเสียงแอร์มันดังเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะมีเราคนเดียวเอามาคิดอีก ไอแอนี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆก็แพงก็แพงแพงทําไมมันดังจังเลยมันเกิดแรงดึงระหว่างหูกับใจเนี่ยมันดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเนี่ยเหมือนเราเป็นคนเข้าทรงเนี่ยมันเต้นอยู่อย่างงี้เต้นอยู่อย่างนี้นะนะมีพลังอย่างหนึง่งมันหมุนอย่างนี้ระหว่างหูกับใจเนี่ยนะแล้วก็ดูมันดูมันกระแทกอยู่นั้นประมาณสักครึ่งชงั่วโมงมีสติรู้ดีสักพักหนึ่งมันพลิกมาทาั้งข้างๆเนี่ยมันหมุนอยู่อย่างนี้เหมือนเครื่องซักผ้า ทีนี้เราเป็นคนโทรสะจจริตนะไอร้อนเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยมันดันขึ้นมาเนี่ยออกจากข้างบนเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยพบไอร้อนออกเหมือนเราเย็นเราเย็นเหมือ น, น, นเราเบาเบาเบาเหมือนเราลอยกันลอยขึ้นมาได้เพราะครูไม่ได้ลืมตาว่ามันลอยขึ้นมาได้จริงๆแต่รู้ตัวตลอดสักพักหนึ่งมันเหมือนเครื่องฉีดนะ้ำตั้งแต่ปลายเท้าเราเนี่ยนะชาไปหมดไปถึงใบหน้าส่วนข้างบนศีรันเนี่ยมันเหมือนเครื่องเจาะเนี่ย เหมือนเข็มเจาะๆทุกเส้นผมเลยเนี่ยตอนนั้นลึกๆมันรู้สึกกลัวทำไมมันแรงจังถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวจะทำอย่างไรวินาทีนั้นลูกสาวคนโตพ่อครูอายุขวบหนึ่งพอเรากลัวปุ๊บเนี่ยไอ้พลังตัวนั้นน่ะมันมาหมุนที่หัวเนี่ยหมุนความรู้สึกตอนนั้นน่ะไม่มีกระดูกคือมันหมุนรอบ แต่จริงๆแล้วคงน่าจะแค่นี้แหละแต่ว่ามันแรงมากเอาเป็นว่าเราเอาไม่อยู่แล้วนะความเบื่อมันลอยขึ้นมาไหนบอกก็เบื่อไงนะความเบื่อชนะความกลัวได้เออจะอยู่ทําไมถ้าเบื่อแบบนี้พอยอมปุ๊บมันเกิอดอาการเหมือนเราเบิดตูมหายลงไปคําว่าสว่างสงบสะอาด เกิดขึ้นในเวลานั้นไม่ใช่เรารู้สึกว่ามันสะอาดสงบสะอาดคนคนที่มีความรู้สึกมันถูกระเบิดไปแล้วแต่เรากลายเป็นตัวสะอาดสว่างสงบตัวนั้นกะเข้าว่าประมาณตีสองกว่ า, วานะเพราะเราไม่ได้ลืมตาก็อยู่กับตรงนั้นแหละพอลืมตาขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ย แอบไปมองนาฬิกาในี่ตีสามพอดีก็เรียกว่าสามชั่วโมงบรรลุธรรมแล้วพอครูลืมตามันก็สว่างลับตาใหม่ก็สว่างถ้าเป็นภาษาพูดว่ามันงงๆแต่ไม่สงสัยคนที่เบื่อหน่ายนั้นแนหะมันถูกฆ่าทิ้งหมดแล้วเราพบนะเดินไปไปเปิดตู้เย็นจะกินน้ำ เหมือนคนไม่มีนหนักเหมือนลอยได้น่ะเกิดมาถึงสัมผัสว่าไอ้ที่มันเบาเบาเบาเบามันสุขสุขที่มันสุขสุขนั่นเพราะมันไม่มีความกังวลไม่มีความทุกเลยเราถึงไปเจอคำว่าความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกขมม์ ท, กที่แท้จริงคือความอิสระไม่ใช่เรามีเงินถึงสุขมันก็ออกมาเลยจนไปว่าไม่มีไม่ได้ไปว่าทุก รวยไปว่ามีเยอะไม่ได้ไปว่าสุเราแปลภาษาผิดตอนนั้นหายสงสัยทั้งหมดไปดื่มน้ำเสร็จความเคยชินที่สูบบุหรี่มายี่สิบกว่าปีวันหนึ่งสามสี่ซองจนมือนี้เหลืองนี้ปากดำหมดช่วงที่จะนั่งนั้นไม่มีสีนบุหรี่ยังอยู่ในกระเป๋า ยังโกหกลูกค้ามาบอกว่าร้านอาหารเราเนี่ไม่มี m อ็เอฟก็คือไม่มีผงชูรสไปตรวจในครัวเนี่ไม่มีเ ม, เม็ดแต่จริงจริงแต่มันผสมกับน้ำจิ้มมาเรียบร้อยเราโกหกเราเป็นนักธุรกิจตอนนั้นเราเข้าใจว่าการโกหกนี่ยเป็นเทคนิคแต่เราไม่มีเจตนาที่จะโกหกหลอกลวงนิสัยพ่อครูไม่มีอย่างนั้นสู้บุหรี่ไม่ได้ เหม็นทิ้งกินเหล้าไม่ได้ตีก๊อฟไม่ได้คือไม่ใช่ว่าไม่ได้คือมันไม่มีความรู้สึกต้องการสิ่งนั้นเพราะกูก็ขับรถกลับไปที่พักรีบอาบน้ำเช้านั้นอาบน้ำไอ้สบู่ก็ก้อนเก่านั่นแหละคล้ายๆมันล้างยังไรมันลื่นทั้งหมดสบู่มันก็ไม่เหมือนมันไม่ออกอะนะตอนนั้นเราไม่ไม่ไม่รู้มันง ง, ง, ง แต่เบารู้สึกเกิดมาไม่เคยไ อ, ไอ้สัมผัสสภาวะอย่างนี้ก็ขับรถไปวัดไทยตั้งแต่เขาเปิดวัดไทยมาหลายปีนี่ไปครั้งแรกไปให้กำลังใจเขาตั้งแต่นั้นมาไม่มีเวลาไปตอนนั้นไปเขากำลังทำวัดเช้าอยู่ได้ยินเสียงอยู่ข้างนอกมันไม่เข้าไปข้างในระบบประสาทเราเปลี่ยนหมดกระทบหูไม่กระเทือนใจ มันเปลี่ยนทีนี้สามคืนสี่วันไม่ได้นอนไม่ได้กินมันนอนไม่ได้ลืมตาก็สว่างหลับตาก็สว่างแล้วมันก็ไม่ง่วงด้วยแล้วมันก็ไม่หิวด้วยเขาทําให้เราดูว่านั่งเฉยๆนั่นแหละคนอื่นเขาหลับหมดแต่รายนี้เนี่ยเขาทำให้เห็นว่าไม่ได้กินไม่ได้นอนก็สุขถ้าก่อนนั้นเราไม่ได้กินไม่ได้นอนนี่ทุกมากเลยเขาทําให้รู้ว่าไม่ได้กินไม่ได้นอนก็สุข พอวันที่ช้าวันที่4ี่นี่เห็นเขาตื่นกันแล้วพราะคูก็ก็นั่งเฉยๆเน่ยนั่งทำไมไม่รู้นั่งเฉยๆไม่มีแม้อารมณ์แม้แต่นหนึ่งอย่างก็ลุกขึ้นมาจะไปห้องน้ามันเกิดอาการแรงหมุนอีกทีหนึ่งข้างในแรงมากกลัวเราจะล้มเราก็ลงไปนั่งกับพื้นมันก็ระเบิดอีกทีหนึ่งตอนนี้ไอ้แสงสว่างนั้นมันก็หายไปกลับมาเป็นปกติ พ่อครูก็เลยขับรถไปบริษัทไปเคลียร์งานอะไรสำคัญก็ให้น้องๆเขาหมดร้านอาหารต้องรับผิดชอบเนี่จ้างผู้จัดการมันดูแลไม่ได้คิดอะไรเลยนะก็คือไม่เอาก็คือไม่เอาแรกๆเขาก็ส่งเงินมาบอกไม่เอาไปเอาไปให้น้องอย่าว่าไม่ให้เห็นพ่อครูอยู่บ้านเฉยๆปีหนึ่ง อยู่บ้านเฉยๆปีหนึ่งไม่ต้องออกไปไหนเลยก็สุขทำไมต้องรอปีหนึ่งพราะกูก็พาแฟนปฏิบัติเขาก็ทำได้รู้สึกวันที่สามมั้งเขาเกิดอาเจียนอาเจียนอาเจียนเหมือนขนแพทองก็พาไปหาหมอตั้งท้องเดือนหนึ่ง น้องดอนอยู่ในท้องแม่เขาเดือนหนึ่งถ้ามาช้าอีกเดือนหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วพ่อครูก็รอให้น้องดอนนี่คลอดเสร็จปุ๊บครบ6เดือนพ่อครูก็อุ้มเด็กสองคนนี้เนี่ยกับครอบครัวเนี่ยจากเมืองนอกไปอยู่ในป่าทุกวันนี้ไม่ใช่ไปอยู่บนนอกนะตรงนั้นน่ะไม่มีบ้านไม่มีถนนนั่งเรือข้ามไปตรงเขื่อนซิลินทร์ไม่มีไฟฟ้าอยู่สิบเอปี อยู่แบบสงบเยน็นเด็กๆไม่ให้ไปโรงเรียนแต่ว่าเขาต้องอยู่ในสังคมพอ ก, กูก็ไปติดต่อกศนว่าไม่ต้องส่งครูมาขอจัดตั้งกลุ่มพอ ก, กูสอนเองถึงเวลาขอไปสอบเดี๋ยวมันจะเรียนแล้วมันจะเก่งกินไปเดี๋ยวมันจะโง่ไม่ได้ว่านะพอ ก, กูชอบยกตัวอย่างว่าเอาอย่างท่านบิลเกตเนี่ยเรารู้ปุ๊บเออคนรวยที่สุดในโลกเรายกตัวอย่างว่า องคุรีมาเนี่ยเออคนมันฆ่าคนเอ า, เอาเอานิ้วมาแขวนไว้เรายกตัวอย่างคําว่าด็อกเตอร์เนี่ยหมายถึงความรู้สูงสุดปริญญาเอกเรายกตัวอย่างเอามาแสดงทำไม่มีเจตนานะพอพูดปุ๊บเราเข้าใจวันหมายหมายถึงอะไรนะตอนนี้ด็อกเตอร์สองคนเนี่ยจบปริญญาเอกทางภาษาศาสตร์รับปริญญาบัตรในวันเดียวกันออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาก็จบสูงสุดแล้วไง แล้วคุณจะเรียนไปทำไมไม่ใช่ไม่ต้องเรียนนะยุคนี้ไม่เรียนก็ไม่ได้แต่เรียนแล้วก็ให้มันรู้จริงๆไม่ใช่ยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้พเพราะครูก็เลยเปิดกศนอยู่ในป่านั่นแหละบังเอิญเด็กในชุมชนนั้นก็มีโอกาสมาด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กชุดนี้เนี่ยจบปริญญาตรีเปิดปริญญาโทแล้วก็เป็นครูในโรงเรียนเราสองแห่งเราก็สร้างโรงเรียนที่น่นหนึ่งตบลหนึ่งแห่ง นะมูลที่ดูแลฟรีทั้งหมดมีรถรับส่งถึงหน้าบ้านอะไรห้ามเอารถมาเองห้ามเอามือถือมาทุกอย่างฟรีหมดนะก็ใช้ชีวิตที่นนจากวันนั้นถึงวันนี้27ปี20ปีไม่ไปไหนครับอยู่ตรงนั้นแล้วออกมาบรรยาอยู่ห้าปีแล้วเห็นสังคมมันขัดแยง้งทะเลาะบ่าแวงกันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั้งโลก จะเป็นสงครามาศาสนาบ้างหรือจะสงครามลัทธินิกายอะไรก็ช่างคือว่าเราถอยมาแล้วเนี่ยเราจะไปสับสนุนฝ่ายใดก็ไม่ได้เราจะไปส่งเสริมให้เขาทะเลาะ ก, กันไม่ได้40ปีแปลกมากสินห้าบอกไม่ให้ทาไรเพรพะกูทาหมดพราะกูไม่มีศินยี่27ปีพราะกูก็ไม่ต้องถือสินอีกเพราะมันหนักเวี่ยงทิ้งหมดแล้วแต่ไม่ทําชั่วแน่นอน ตอนนี้บางทีเรามือถือสากปากถือสินจะเป็นสินห้าสินแปดสินลิสินปฏิโมกมันเป็นแค่วินในเกิดขึ้นทีหลังเป็นสินในการอยู่ร่วมเพื่อไม่ให้เราขัดแยง้งให้เราสร้างกรรมใหม่ทุกวันนี้เรามีการส่งเสริมหมู่บ้านสินห้าไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะดีก็ทำไปเถอะแต่มันเป็นปลาเหตุทาซานนี่มีศินห้าอยู่แล้วเต็มเปลี่ยมไม่ต้องถือศินเลย ภาษามันโกหกไหมไม่ภาษามก็พูดไม่เป็นไงมันไม่มีความอยากได้มันจะไปโกหกเราทําไมเอาเล่ายื่ห่อแพงที่สุดในโลกให้มันกินโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เหม็นก็ไม่เอาเขามีศีลอยู่แล้วศีลคือความปกติของจิตแล้วตอนนี้ศีลพวกเราหายไปไหนมันถูกครอบงําโดยอวิชชาคือความรู้ผิดเพราะกูไม่ชอบส่วนมากแปลว่าอาวิชชาคือความไม่รู้คือคนโง่ เราก็เลยกลัวว่าเราจะเป็นคนโง่ล้วก็เลยเรียนรู้ใหญ่เลยเรียนจบสูงสุดแล้วคุยกันไม่รู้ภาษากลายเป็นว่ายิ่งเรียนยิ่งไม่รู้จริงๆแล้วผู้เจ้าทุ่างเพิ่งเชื่อตำราเห็นไหมตำรามันอยู่ในออกมาในรูปของภาษาภาษามันหยาบเกินไปที่จะพูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันภาษาไม่ใช่ความจริงภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมติขึ้นภาษาไทยเราเนี่ยเกิดขึ้น ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเมืองเนี่ยพ่อขุนลามเป็นคนสร้างภาษาไทยขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้เราใช้ภาษาอะไรคุยกันภาษานี่ไม่ใช่ความจริงมันคือสิ่งที่มนุษย์สมมติขึ้นเราก็คิดตามภาษาพวกท่านที่นี่บางท่านเป็นคนเหนืออาจจะคิดตามภาษาเหนือคนภาคกลางคิดตามภาษาคนภาคกลางเห็นไมแล้วคนไทยเหมือนกัน คนอีสานก็คิดตามภาษาอีสานคิดตามภาษาพูดตามภาษาทำตามภาษาแล้วบังเอิญภาษาในยุคเราเนี่ยพิเศษหน่อยหนึ่งภาษาไทยเหมือนกันแต่ย้อนหลังไปสัก40กว่าปีก่อนนะหรือห0ิปีพ่อคกูยังจำได้นะภาษาไทยตอนนั้นกับภาษาไทยตอนนี้ไม่เหมือนกันภาษาภาษาไทยตอนนี้เนี่ยเป็นภาษาทุนนิยม วัตถุนิยมแข่งขันเสรีการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกเสรีดีเป็นเรื่องที่ดีทุนนิยมก็เป็นเทคนิคในการบริหารอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายคอมมิวนิสต์น ะ, ะเผด็จการสังคมนิยมก็เป็นเทคนิคมันเป็นกลางๆอยู่ที่ว่าคนที่จะใช้เทคนิคนั้นน่ะดีแค่ไหน แต่คำว่าแข่งขันเนี่ยมันไม่ดีมันทำให้เกิดความแตกแยกทุกคนเกิดวิตกจริตกลัวว่าจะแพ้กลัวว่าจะเสียเปรียบเห็นไหมเรียนวิชาเดียวกันภาษาเดียวกันทำไมคุยกันไม่รู้ภาษาเพราะเรามีทงของตัวเองแล้วโดวยเฉพาะสังคมไทยเราเนี่ยตั้งแต่พ่อครูเกิดมาเนี่ยนะคนไทยเราไม่เคยทะเลาะกันขนาดนี้ เห็นไหมตอนนี้ไม่ใช่คนไทยทะเลาะ ก, กันนะพระคุณเจ้าพระภิกษุเราเนี่ยก็เริ่มเอากันแล้วก็ท่านเป็นลูกหลานชาวบ้านเราดีเนี่ยท่านไปบวชท่านพยายามมุ่งมั่นอยู่แต่ถ้าเราไม่ระวังตัวไอ้คลื่นโลกที่มันเอากข่าแข่งขันเนี่ยมันจะเข้าไปในเส้นสายเลือดเราเลยเนี่ยความเมตตาตามธรรมชาติเขาถูกครอบงาโดยการแพ้ชนะ อยากชิงดีชิงเด่นกันทุกคนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งคือโรควิตกจริทอย่าว่าแต่ศัตรูเรานะคนรักกันนี่แหละอยู่ด้วยกันฉันรักเธอเธอรักฉันแต่วันไหนพูดไม่เข้าหูสักหน่อยหนึ่งไม่มองหน้ากันสามวันคุณรักกันแบบไหนนะหลายปีก่อนมีคุณหมอมาจากมุกดาหารครอบครัวหนึ่งแหละนะภรรยาก็มาด้วยครั้งแรกเนะี่ยเออ ภรรยาคุณหมอเป็นคนตรงแปลงมากเป็นพยาบาลพวกครูบอกว่ารักโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์เขายกมือเลยว่ารักมันจะทุกข์ได้ยังไงมันก็ดีแล้วไงบอกคุณรักคุณหมอไหมรักสิถ้าวันไหนคุณหมอถูกคนอื่นแย่งไปยังรักอยู่หรือเปล่าเขานั่งอึ้งบางทีไม่รักไม่พอนะแค่ น, นี้ต้องชาระสิบปียังไม่สาย ถ้าเรารักเขาจริงๆเนี่เขาไปมีความสุขเราต้องอนุโมทนาสาธุกับคนที่เรารักซี่ความรักมันแฝงด้วยความเห็นแก่ตัวเราต้องเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตากระรุนามุธิตาอุเบกขาตอนนี้โรงเรียนเราสองแห่งมีเด็กๆยากจนแถวนั้นประมาณ8 0ดร้อคนเนี่ยลูกพ่อครูหมดละชื่อว่าอะไรพ่อครูไม่ต้องจาพ่อแม่เป็นใครไม่รู้พ่อครูเมตตาเขาทุกวัน ให้ทุกวันแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยรักเพราะเธอเป็นของฉันแต่ถ้าคนอื่นแย่งไปปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนจากความรักกลายเป็นความแค้นนี่ไงความรู้ยุคนี้เป็นแบบนี้ไงแล้วตอนนี้เราสอนลูกหลานเราเนี่ยเพราะเราไม่มีทางเลือกสังคมเขาวางรูปแบบเนี่ยต้องไปเรียนต้องไปเรียนต้องเรียนเก่งๆนะลูกแล้วก็ต่อไปหาเงินเยอะๆเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเศรษฐีเราจะมีความสุข แล้วเราก็ส่งมันไปเมืองนอกแล้วลูกก็คิดถึงเราเราก็คิดถึงมันต่างคนต่างคิดถึงแต่เนื่องจากว่าเราเราต้องพิจารณาเรารักลูกเราจริงๆริงไหมหรือเรารักอนาคตลูกเราไม่ค่อยลักลูกหรอกเรารักอนาคตมันทุกวันนี้เรารักตัวเองไหมถามตัวเองนะรักจริงหรือเปล่าทำไมเอาชีวิตเราเนี่ยไปทุกกับการสร้างอนาคต บางทีได้เงินมาไม่ได้ใช้นะเอามารักษาโรคเครียดโรคมะเร็งมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งทํางานอยู่นาฬิการุ่นเก่ามันบอกเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วไม่ได้ยินพเพราะเพลินกับทํางานไงตั้งมั่นมีสมาธิมีสติทีนี้ไอสิ่งมหัชจันทร์ตัวนี้เนี่ยเขากลัวด็อกเตอร์ตายไว ท้องเขาก็ร้องกรอกกรอกกรอกเธอหิวแล้วเธอหิวแล้วกินข้าวเถอะแต่ความรู้ของด็อร์บอกว่าเธอยังกินไม่ได้งานไม่เสร็จเธอจะไม่รวยก็ทําต่อไปไปถึงเที่ยงคืนนานิกามันก็บอกเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วเนี่ยนอนเถอะไม่ได้ยินซีมหาชจรย์นเนี่ยทาไมมหาชจันรู้ไหม ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟเลยใช่ไหมเราไปเห่คอมพิวเตอร์ computer, เด็กไปหลงมันเป็นธาตุมันเนี่ยนะพอไม่เงินหมดก็โทรไม่ได้ฐานหมดก็โทรไม่ได้มันไม่ได้เก่งอะไรมากมายเพราะกรูสร้างมขึ้นมากับมือพ่อครูมันเป็นแค่เศษเหล็กก้อนหนึ่งนี่คือสิ่งมหาจักรันแต่เราไม่ค่อยรักมันเท่าไหร่เราทําร้ายมันมาตลอดชีวิตความรู้ด็อตอร์บอกว่าเธอยังนอนไม่ได้ พุ่งนี้จะส่งงานงานไม่เสร็จมันจะไม่รวยทําถึงสว่างไปส่งงานงานมาได้เงินมาล้านหนึ่งมารักษาโรคเทียดโรคมะเร็โเงโรคภูมิแพ้ทุกวันนี้เราหาเงินมารักษาโรคคนโบราณเขาบอกแล้วว่าความไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเป็นลาบมันประเสริฐ ห้าปีที่พวกกูไปบรรยายโดยเฉพาะกรุงเทพนะ่ะองค์กรใหญ่ๆก็โจทย์ก็คือว่าอย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยเราจะสุขไม่เป็นตอนนี้ชีวิตเราถูกเข้าใส่โปรแกรมมาว่าชีวิตเธอต้องสู้ต้องเด่นเก่งๆหาเงินเยอะๆรวยแล้วถึงจะสุขไง แล้วก็คิดตามภาษาตรงนั้นใช่ไหมใครรู้บ้างว่าตัวเองเป็นใคร Who a r อายุใครรู้หมหครับยกมือหน่อยครับว่าใครรู้ว่าตัวเองเป็นใครเชิญครับตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะไม่เป็นอะไรเลยแล้วใครนั่งอยู่ตรงนี้ เนื้อหนังบางสานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะอแล้วใครกําลังพูดอธรรมชาติกําลังพูดค่ะเอธรรมชาติลมมันพูดได้ไหมลมพูดไม่ได้ค่ะอแล้วไอ้ที่ไอ้ที่มันพูดเนี่ยใครพูดอะไรพูดธรรมชาติพูดค่ะอธรรมชาติลมเป็นธรรมชาติไหมลมเป็นธรรมชาติค่ะถ้าทำลมธรรมชาติมันพูดไม่ได้ก็มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันเลยพูดไม่ได้ค่ะแล้วทําไมลราพูดภาษาไทยเขาพูดภาษาฝรั่ง เพราะมันเป็นเรื่องของเขาค่ะเรื่องของธรรมชาติของเขาค่ะอะถูกแล้วแล้วธรรมชาติไอตัวที่ภาษานี่มันเกิดมาจากไหนอยู่ๆเราเกิดมาเป็นเด็กเบบีนี่มันพูดได้ไหมพูดไม่ได้ค่ะก็ไม่ธรรมชาติไงแล้วตอนนี้ทําไมเราพูดได้อะไรทําให้เราพูดได้ความจําค่ะนั่นแหละโอเคจบแค่นี้ส่วนหนึ่งจบที่ความจําเราจําภาษามาแล้วก็คิดตามภาษา ที่เราบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยคำพูดตัวนี้เราเอามาจากไหนมีคนอื่นเขาบอกเราไงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมมันไม่ได้เกิดจากเราเข้าไปถึงตรงนั้นเราจำมาพูดมันเป็นแค่ความรู้ภาษาอังกฤษบอก knowledge มันไม่ใช่ว i s d o m ไอคำว่าเช่นนั้นเองเขาเป็นเช่นนั้นเองนเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆก็พูดพูดได แต่มันไม่จริงถ้าเราไม่เข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้พูดพูดจากความจงที่ความรู้ที่เราไปจำมาอ่านมาฟังเทศมา